กรรมใดที่ทำให้มีลูกยากถามกรรมอะไรทำให้มีลูกยากแต่งงานมาหลายปีพร้อมที่จะมีลูกเพื่อทำให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นที่ผ่านมาถือว่าชีวิตมีความสุขเป็นส่วนใหญ่เรียนเก่งได้งานดีได้คู่ชีวิตดีแต่กลับชะงักเพราะไม่มีลูกอย่างที่หวัง ในอดีตอาจเป็นเจ้าของหมาแมวไม่อยากให้มันมีลูกเพิ่มก็ทำหมันพวกมันหากทำบ่อยทำทุกตัวพูดง่ายๆสนุกกับการตอนสัตว์ก็ส่งผลให้ชาติถัดๆมามีลูกยากได้ครับโดยเฉพาะถ้าเคยเป็นสตัตวแพทย์ซึ่งต้องทำหมันสัตว์บ่อยมากผลก็จะยิ่งทวีขึ้นเป็นเงาตามตัว ถ้าทำหมันให้ตัวเองหรือแนะนำให้ญาติทำหมันเพื่อป้องกันการกำเนิดบุตรมากจนเกินแบกรับภาระอย่างเนี้ยไม่เป็นไรแต่ประเภทบังคับขู่เข็นไม่ให้ใครมีลูกบัญชาให้เขาทำหมันเพราะเหตุผลส่วนตัวเขาไม่สมัครใจอย่างนี้ก็มีวิบากให้ชาติของความเป็นมนุษย์ครั้งถัดไปมีลูกยากได้เช่นกัน สำหรับการทำหมันสัตว์เลี้ยงเพียงตัวเดียวด้วยเหตุผลว่ามันออกลูกมามากแล้วไม่ควรมีภาระอีกแล้วทั้งมันและทั้งตัวเราเองอย่างนี้จะไม่ถึงกับทาให้มีลูกยากนักในชาติถัดมาเพียงแต่อาจช้าบ้างอีกประการหนึ่งการทำหมันสัตว์นั้นมีหลายแบบแบบที่ก่อความเจ็บปวดรุนแรงก็มี แบบไม่ทรมานก็มีเหล่านี้ก็จะเป็นตัวแปรให้เกิดผลข้างเคียงเช่นกันหากทำให้สัตว์เจ็บปวดจากการทำหมันชาติถัดมาก็อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศได้ส่วนจะปัญหาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรากระทำกับสัตว์เอาไว้โดยมากการทรมานสัตว์จะมีผลให้ต้องไปเป็นสัตว์ถูกทรมานคืน ส่วนวิธีที่จะมีรูปขอแนะนำไม่เพิ่งวิทยาการจะมีหวังกว่าทางอื่นครับจากที่คุณเล่ามาก็น่าจะมีฐานะดีไม่มีปัญหาถ้าจะทำกิฟต์หาวิบากไม่หนักหนาจริงก็ควรมีสิทธิ์แต่ผมคิดว่าก่อนมาถามทางเนี้ยคงเคยลองมาบ้างเท่าที่ทราบบางคนทำกิฟต์หลายครั้งก็ยังไม่ติด นี่ก็เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นได้อย่างหนึ่งว่าการทาเหตุฝ่ายรูปประธรรมอย่างเดียวไม่เป็นประกันว่าจะให้กำเนิดทารกได้หากขาดเหตุฝ่ายนามพยายามให้ตายก็ไม่มีสิทธิ์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าหากวิญญาณไม่อย่างลงในคันมารดาซะแล้วนามรูปคือภาวะที่พร้อมเติบโตขึ้นเป็นกายเป็นใจมนุษย์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ หากปรารถนาจะใช้ทางลัดกันจริงๆไม่มีวิธีอื่นเป็นทางเลือกแล้วก็แนะนำให้ทั้งสามีและภรรยารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์อย่างน้อยหนึ่งปีแล้วเอาสัจจะความจริงที่ได้บำเพ็ญศีลบารมีมาครบหนึ่งปีนี้จงเป็นปัจจัยเปิดทางให้ผู้มีบุญผู้ไม่มีอุปสรรคในการเกิดจงได้มาบำเพ็ญบุญต่อร่วมกัน ต้องอธิษฐานหลังจากถือศีลมาได้ครบปีนะครับอธิษฐานแบบเปล่งวาจาพร้อมกันอาจคิดบทพูดเอาเองแต่ให้อยู่ในขอบเขตประมาณนี้แหละสวดมนต์ไหว้พระสะก่อนและอธิษฐานหลังสวดมนต์ให้ครบเดือนคิดว่าน่าจะมีเขาบ้างแต่ขอบอกไว้ล่วงหน้าคือลูกอาจเกิดมาเอาแต่ใจสักนิดหนึ่งในช่วงต้นชีวิต และมีความเป็นไปได้ว่าวิธีได้ลูกยังไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้คือปกติคุณจะไม่ได้มีลูกไม่ได้มีเขาอาจดึงเอาผู้มีบุญที่ไม่ได้มีกรรมสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นแฟ้นมาเกิดแต่ที่แน่นอนคือถ้าเลี้ยงให้ดีป้อนศีนลธรรมจัรญาให้แต่เล็กเขาจะโตขึ้นเป็นผู้ที่มีคุณแก่สังคมได้ครับ